บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรูปการะแกการปฏิบัติธรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ปูุกใจสักเป็นการกล่าวถึงกิเลส ท, ที่ละเอียดซึ่งส ง, งบอยู่ภายในใจของบุคคลตามปกติแล้วจะไม่ฟุ้งขึ้น ร, รุ่มรุ่มใจทำให้บางครั้งบางคราวดูแล้วคล้ายๆจะไม่มีกิเลสอยู่ภายในใจแต่เมื่อใดมีอารมณ์ข้างนอกมากระทบและใจไปกำหนดความสำคัญของอารมณ์เหล่านั้นที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอาการเหล่านี้ก็จะบังเกิดขึ้น ตามการกําหนดของเราในแต่ลขะขนะดยิ่งกิเลสประเภทนี้อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้จะเรียกว่ามะละที่แปลว่ามลทินเรียกว่าอนุสัยแปลว่านอนนื่งหรือสงบอยู่ภายในใจเรียกวักนทะแปลวเครื่องร้อยรัดจิตใจของบุคคลเอาไว้เรียกว่าโยกะแปลว่าประกอบ ใจของคนไปในสังสารทุกข์หรือในความทุกข์เรียกว่าโอคะแปลว่าพัดผันจิตใจของบุคคลให้หมุนไปตามอำนาจของตนได้อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นอีกเป็นนั้นมากท่าสาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าชื่อที่ทรงใช้เรียกกิเลสนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปธรรม ก็กิเลสเองมันเป็นนามธรรมการจะอธิบายการจะสะท้อนภาพลักษณ์ของกิเลสก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเข้ามาสะท้อนและนะสังโยชน์จึงเหมือนกับตะกอนที่อยู่ใต้ก้นภาชนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาจากการกระทบกระทั่งจากข้างนอกหรือใครไปกวนน้ำในภาชนะนั้น ตะกอนมันก็เกิดขึ้นมาได้พระโยี่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับที่เริ่มมาจากสักายติทิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาหรือมีเรามีเขาซึ่งถือเป็นตเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เริ่มจากจุดนี้แล้วต่อไปมันก็เป็นอะไรก็ได้โดยสิ่งตั้งหลายนั้นก็คือเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรา แต่ถ้าไม่มีเราไอ้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรามันก็มีไม่ได้าการรู้สึกว่ามีเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่่าดึงปัญหานาน า, นาชนิดเข้ามาสู่ชีวิตของตนแต่ในจุดใดขนาดใดที่ตัดความเป็นเราลงไปได้ความเป็นของเราก็จะสงบตามไปด้วย าการลดละ ก, กิเลสประเภทเหล่านี้ได้จึงจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดนี้และปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดขึ้นได้ปวาเรื่องความครียบแครงสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิามีทุกลำทุกลำดับชั้นของกิเลสเพราะอะไรเพราะว่าวิจิกิษานั่นเป็นกิเลสประเภทโมหะหรือพวกอวิชชา เพียงแต่ว่าวิจิกริษาเป็นอวิชาที่ไม่ละเอียดเท่าไรเป็นอาการที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลอยู่บ่อยๆแต่เวลาปรากฏที่ใจนั้นเราเรียกว่านิวรณ์เราไม่ได้เรียกว่าสังโยชน์เรียกว่าสังโยชน์เฉพาะในกรณีที่มันสงบอยู่ภายในเ่านะั ลักษณะของศีลับปัตตบรามาตเป็นเรื่องของความรู้ไม่จริงก็เกิดความงมงายร้ายเหตุผลคือในจุดนั้นในเรื่องนั้นปติปัญญาเราไม่มากพอกวินิสัยอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ถึ่งการแก้กิเลสประเภทนี้อาจจะใช้ศรัทธาเป็นหลักหรือใช้ปัญญาเป็นหลักก็ได้ ดทวยศรัทธาก็มีความผ่องใสปัญญามีความสว่างสวยความผ่องใสและความสว่างสวยนั้นจะทำหน้าที่ขจัดมืดโดยกันเพียงแต่ว่าขาจัดในลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อกล่าวโดยผลแล้วก็คือตรงนั้นไม่มืดโดยกันกิเลประเภทต่อไปหรือสังโยชน์ประเภทต่อไปต้องใช้กรรมการมาราคะ ซึ่งนักาจนทัหลายจะสังเกตว่าเป็นกิเลสประเภทโลภะแต่เน้นไปในทางความรู้สึกในทางเพศเป็นกิเลสประเภทขวอยควาปรารถนาเข้ามาหาตอบก่อเกิดการปรนปลื้มบมุงบมเรอตนเองตอบสนองความต้องการของตนเองคนมีรักได้เด็ดขาด ก็มีตั้งแต่พระนาคามีบุคคลขึ้นไป แ, แสดงว่าคนละการมละค่าได้ก็มีอยู่สองพวกเท่านั้นเองคือพระนาคามีกับพวกพระอระหันต์คนนอกนั้นทำได้แค่บรรเทาเพราะฉะนั้นบทบัญญัติในทางศีลก็ดีทางวินัยก็ดีเป็นบทบัญญัติที่ต้องการจะลด กรมราคะหรือความรุนแรงด้วยอำนาจกรมราคะลงไปแม้แต่ศีลที่ศึกษาสมถทานกันในข้อที่สที่เรียกว่าการเมสุมนิสาาจารย์นั้นก็คือการพยายามลดความกาหนัดด้วยมนาจกรมราคะอย่าถึงก็ต้องทำผิดซึ่งหมายความว่ากิเลสก็มีอยู่ภายในใจ จะทำยังไงจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้อย่าให้มีการกระทำอย่าให้มีการพูดในลักษณะที่เป็นการล่วงละเมิดในทางประเวณีลักษณะของสิ่งที่เรียว่างพรหมจรรย์เรื่อการใช้ชีวิตที่ประเสรศิฐดยการประพฤติอย่างพรหมเพราะพรหมโลกนั้นสงบ พวกเหล่านี้ลงไปได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกิเลสประเภทการมรารักะแต่ไม่มีกำลังพอจนถึงกับจะมีคู่ครองมีเพศสัมพันธ์กันในพระมโลกจึงมีเฉพาะเพศผู้ชายที่เจ้ามสงบด้วยพลังของสมาธิในชั้นต่างๆที่เรียกวเป็นฌาน ในสมาธินั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สงบกิเลสประเภทนี้เป็นหลักตัวสมาธินั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันท์ปใจที่มีความกำหนัดเดิมหนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่แต่ท่านไหนขณะนั้นใจเรามีสมาธิในกิเลสประเภทนี้ก็ไม่เกิดขึ้นผู้ใจหรือรุ่งรุ่ใจ ถ้าเกิดคลุ้มรุมใจนั้นท่านเรียกวันนิวรดแต่ที่จริงก็คือมาจากการมารักษจริงแต่เรียกกันคนละช่วงคนละตอนกันนั่นเองดังนั้นในพวกของพรมจรรย์จะมีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายข้อเช่นผู้ชายที่มีสถาร์ระชันโดน ก็คงมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีปัญญาได้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าไม่นอกใจปัญญาของตัวเองยินดีเฉพาะปัญญาของตัวเองเรียกว่าศรัทธาและสันโดษในส่วนสตีนั้นเขาเรียกว่าปฏิวัติคือพักดีในสามีไปนอกใจสามีนั้นเป็นเพราะบัญญัติที่เจาะจงเฉพาะเพศของบุคคล ซึ่งหมายความว่าต้องลดการมาราคะคือความรู้สึกกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ตรงนี้จะมีอยู่สองเงื่อนไขหมายความว่าใจเรามีกิเลสที่เป็นเอตได้เกิดความใคร่วัตถุข้างนอกที่ผ่านมาต่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่สมหรับ ไป แ, แล้วใกล้ๆจะรุงรังบอกความกำหนัดในสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจแต่งความใคร่หมายความว่าถ้ามีอย่างเดียวนี่มีคำไทยอยู่คำหนึ่งที่ดูแลเป็นภาพดีท่านเรียกว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังเพราะงั้นอารมณ์ทั้งหลายก็คืออารมณ์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นสรุปรวมเป็นวัตถุกรรม โลกมันต้องมีเป็นธรรมดาของมันแม้สมมติว่าในโลกนี้มีพระหันหมดคือคนทุกคนมันรู้ก่าผลเป็นพระหันหมดพราวัตถุกรรมมันก็ต้องมีอยู่เพราะวัตถุกรรมนั้นเป็นโลกเป็นโลกแข็งวัตถุเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ท้าได้รู้เพียงแต่ว่าวัตถุเหล่านั้นไม่ครอบงาใจแต่นั้นเอง เอะไรภายในใจของพระหานั้นไม่มีกรรมาราคะคือกิเลสเป็นเหตุได้คลายเพราะตุกามมีอยู่กิเลสเป็นเหตุได้คลายไม่มีความใครก็ไม่มีซึ่งทั้งาชนสามารถสังเกตใจเราเองได้เราสมมติเราไปในร้านอาหารเป็นอันมากคนบางคนอาจจะแหกันไป นั่งรถเสียค่ายานปานะเสียค่าน้ํามันเสียเวลาพวกมันซื้ออาหารบางอย่างที่คนเหล่า น, นั้นก็ชอบแต่เราเข้าไปเราไม่มีเชื้อเราไม่เคยกินเราไม่เคยติดในรถอาหารนั้นเราจะไม่เกิดความอยากได้บางอย่างแม้แต่เห็นรูป ก, ก็รู้สึกขยะขยะแล้ไม่กล้า ก, กินได้กลิ่นยิ่งไปกันใหญ่ พอรถมะแตะลิ้นทีเดียวก็รู้สึกต้องขายทิง้งอนั้นแสดงบางทีเห็นด้วยตาก็ไม่อยากสูดดมด้วยจมูกก็ไม่อยากลิ้นด้วยลิ้นก็ยังไม่อยากจะต้องดูก็ยังไม่อยากเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อของความอยากในเฉพาะในกรณีนั้นไม่มีเช่นอาหารบางอย่างที่เขาว่าทำด้วยเลือด รูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เรียกว่าลูกในที่บางแข่งอ่านข่าวซื้อพิมพ์พบคนชอบกันมากราคาแพงๆ แ, แต่ถ้าดูแล้วก็เป็นเรื่องนัากลวนั่นแสดงว่าวัตถุเรานั้นมันก็มีอยู่ของมันแต่ใจเราไม่อยากเราก็ไม่อยากเราไม่กําหนดว่าอร่อยมันก็ไม่อยากไม่กําหนดว่าสวยไม่กําหนดว่าน้าฟังไม่กําหนดว่าหน้า สูตรดมไม่กำหนดว่า น, น่ากินไม่กำหนดว่า น, น่าจับต้องกิเลสมันก็ไม่เกิดระมัดเราเพราะยังมีอารมณ์เป็นอันมากที่เรานั่งผ่านไปผ่านมาแม้จะเดินไปตามห้างสรรพสินค้ามีรูปเป็นอันมากที่เราไม่อยากได้มีเสียงเป็นอันมากที่เราไม่อยากฟังมีรถเป็นอันมากที่เราไม่อยากดม ไม่อยากลิ้มมีรถมีกลิ่นเป็นนั้นมากที่เราไม่อยากดมนั่นหมายความ ว, าว่าอะไรหมายความว่าเฉพาะในกรณีนั้นใจเราไม่กำหนดว่ารูปนั้นน่าดูเสียงนั้นน่าฟังกลิ่นนั้นน่าดมรถนั้นน่าอร่อยหรือสิ่งนั้นน่าจับต้องเพราะตัวการสาคัญทั้งสองอย่างนี้จะต้องมีด้วยกันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ทวิอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออารมณ์ข้างนอกที่เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วแนวการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาไม่ได้มองไปที่แก้อารมณ์ข้างนอกไม่ใช่ไปเผาทำลายรูปไปห้ามมีการร้องเพลงมีการส่งเสียงหรือไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอรูปรูปข้างนอกแต่ใจเราไม่เอื้อมเข้าไปกำหนดท่านนั้นเอง ดังนั้นพระปรมาจาร์ในแนวภาพ ร, รวมจึงทรงชชยกรรมาการมาสองบทกรรมการสัง ว, ร, ร, นงวรนั้นเป็นภาษารวมรๆหรือทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเป็นคือหัดและบรรพชิตให้มีความสํารวมระวังในการตามวัตถุ ก, การมผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายไม้ก็ผ่านเราไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกจมูกก็ไม่ได้พิการอะไรเราก็เหมือนเดิม มาความคงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรส ถ, ถูกต้องยินรด อ, ดอนนั่งแข็งอยู่เป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ปัญหาในหัวใจไม่มีเราแก้ปัญหาที่ใจเราที่ที่ที่ทรงใช้กับว่าไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายหมายความไม่ให้เกิดความชอบหรือความชังขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นเพราะตั้งชอบทั้งชังเนี่ยมันเป็นกิเลสได้แก่ ลักษณะของใจเราบางครั้งท่านสาชนจะสังเกตได้ว่าที่จริงเราก็เปลี่ยนเป็นการมมราคะเราไม่มีการมมติหาในวัตถุเหล่านั้นแต่ใจมันไปคว้าการมมติฐาในวัตถุตัวอื่นบางทีเราจะไม่อยากได้ไม่อยากเป็นในสิ่งที่เรากำลังได้กำลังเป็นแต่เราถามใจดู ว, ว่าเราอยากได้อะไรคืออยากได้อย่างอื่น อย่าเป็นอย่างอื่นที่เรายังไม่ได้ยังไม่เป็นหมายความว่าในขณะนั้นเป็นไงใจมันก็เป็นวินภาวะตัณหาดังนั้นคนบางคนเนี่ยไม่เข้าใจถึงประภาพของใจจะแสดงว่าเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ถ้ามันสักอะไรอะไรไม่ต้องมีเราไม่อยากเป็นในการไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องรู้ที่ใจว่า เป็นปัญญาหรือว่าเป็นโมหะหรือว่าเป็นวิภาวะตัณหาหรือว่าตัณหาเป็นอาการของโทสะเราไม่อยากเป็นสิ่งนี้หมายความไม่อยากเป็นสิ่งอื่นไม่อยากนั่งตรงนี้แสดงว่าไม่อยากอยากจะไปนั่งที่อื่นไม่อยากกินสิ่งนี้ก็แสดงอยากกินสิ่งอื่นก็กิเลสได้ยกนเพียงแต่กิเลสกลุ่มหนึ่งเป็นโลภะกิเลสกลุ่มอื่นเป็นโทสะเท่านั้น นั่นโดยหลักของการปฏิบัติพึงตั้งเกตว่าพระหันทั้งหลายที่จริงท่านไม่มีการมาตัญหาไม่มีภวะตัญหาไม่มีทั้งวิภวะตัญหาท่านเรียกว่าสัารุกรวุติประพฤตเบาเบากายเบาจิตไม่แบกไม่หาไม่คอดไม่หอบไม่อุ้มอารมณ์ทั้งหลายเอาไว้ท่านเหล่านั้นคงรับภาระหน้าที่ในการงานพระศาสนา พระเจ้าทรงส่งไปทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่ยินดีรับตําแหน่งสั่งให้ทํางานก็ทําสั่งให้เป็นสมภานก็เป็นสั่งให้ไปสั่งสอนคนที่ไหนก็ไปแต่ไม่ใช่ไปด้วยอํานาจของตันหาโดยความโดยภาวะตันหาคือความหยาบเป็ตแต่ว่าเป็นการไปด้วยกรุณา บางทีคนไม่ได้มองว่าตาหาพอมีตัณหาแล้วเนี่ยคนจะเซ็งจะจืดชืดโลกจะไม่น่าอยู่คนจะไม่ทำงานโดยลืมไปว่าที่จริงแล้วถ้าคนหมดตัณหาเนี่ยจะมีพลังผลักดันได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะวิริยะคือความเพียรพยายามก็ดีความเมตตากรุณาที่เรามีต่อคนต่อสัตว์ก็ดีเนี่ย มันมีพลังอย่างมหาศาลในการที่จะให้เกิดความมุ่งมั่นความเพียนพยายามที่มุ่งจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้หลุดรอดจากความทุกข์ยิงสติสัมปชัญญะของท่านสมบูรณ์ไปแล้วความเพียนพยายามจะมีความต่อเนื่องจะไม่มีอะไรที่นึกถึงตัวเองจะไม่เป็นห่วงเป็นใหญตัวเอง เราจึงพบว่าพระหันทั้งหลายที่ท่านไม่ไม่มีกิเลสเลยท่านพักวันหนึ่งเพียงสี่ชั่วโมงทั้งกลางคืนกลางวันยี่สี่ชั่วโมงก็พักเพียงแค่สี่ชั่วโมงในฝ่ามัญช่วยเราก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็ทําเป็นช่วงสั้นๆทําอย่ต่อเนื่องยาวนานเช่นท่านไม่ได้แสดงว่าเรายังห่วงใหญ่ตัวเองอย่างธนุตธรรมตัวเองกลัวตัวเองจะเป็นอันตราย กลัวตัเอจเหนื่อยเกินไปกลัวจะมีเวลาพักผ่อนไม่พอเป็นต้นเน่ยนั้นแสดงให้เห็นเรื่องอาการของกิเลสเพาการปฏิบัติที่เียกประเสริฐเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นพรหมจรรย์หรือเหมือนพรหมยังมีโบสถ์เศรษีซึ่งเน้นไปที่การมาสองบท อุโบสถศีลนั้นแม้จะมีแปดข้อที่จริงนับเรียงจริงนับเก้าข้อแต่ท่านเอาไปยุบรวมมันเสียข้อหนึ่งเออข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดได้ยุบรวมกันเป็นข้อที่เจ็ดข้อที่เก้าประการเป็นข้อที่แปดก็ดูแล้วยๆศีลแปดข้อที่จริงมันมีอยู่สิบข้อคุณสเกตว่าในสิบในสิบข้อเนี่ยในเก้าข้อที่ยุบรวมเป็นแปดข้อเนี่ย ไม่เป็นเรื่องของการมาราคะอยู่ทั้งสี่ข้อข้อที่สามก็เป็นเรื่อ ง, องการมราคะข้อที่หที่เจ็ที่แปดแต่ดะอย่างนั้นเป็นการป้องกันเหตุปัจจัยที่มากระตุ้นการมาราคะจากภายนอกเพื่การรับประทานอาหารมากกว่าดี การดูฟ้อนราำขับร้องประโคมดนตรีดิดสีที่เป่าและการเล่นต่างๆก็ดีการนอนเนื้อที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เนื้อที่นอนสูงใหญ่ภายในมิโน่นแลสัมฤทธิ์ก็ดีมันเป็นการกระตุ้นการมราคาัคษาเพราะในบทบัญญัคของศีลซึ่งเรเปลี่ยนข้อที่สามจากกาเมเป็นอภรรพจะข้อโยกใบก็ต้องหนุนข้อที่สาม ด้วยการปฏิบัติมีความสมบูร์มากยิ่งขึ้นแต่ปัจจัยที่กระตุ้นนั้นเราสังเกตว่าจะมองจากข้างนอกก่อนการมองจากข้างนอกที่จริงพูดเรื่องหยาบๆหมายความว่ามีสิ่งมากระตุ้นจากข้างนอกอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าไอน้ําในภาชนะใหญ่ที่จะคุณเนี่ยมันคุณได้สองอย่างคือมีคนเขยา่าภาชนะข้างนอก หรือเรามือไปกวนจากขา้างในน้ำขา้างในภาชนะในตุ่มมันจะกูดเหมือนกันกินเลสประเภทสังโยชน์หรือเรียกอนุษัยเรียกชื่อต่างๆที่กล่าวไว้ในตอนต้นจะมีลักษณะอย่างนั้นเหตุปัจจัยที่กระตุ้นกิเลสซึ่งมาจากข้างนอกส่งสอนในรูปของการสำรวจระวัง ระมัดระวังใจของเราอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในกรณีที่มาจากข้างนอกแต่อย่าลืมวาบางครั้งเนี่ยเรานอนอยู่ในห้องคนเดียวดับไฟหมดแล้วเพราะในขณะนั้นตาก็ไม่ได้เห็นรูปหูอาจจะฟังเสียงจมูกก็ไม่มีกลิ่นลิ้นก็ไม่มีรสอะไรกายก็คงจะถูกต้องที่นอนเฉยแต่ว่าอะไรแต่ว่าใจ ใจนั้นยังเหนียวนึกตึดนึกทะลุออกไปนอกข้องเราได้ถ้าเมื่อกี้เรศเกิดเกิดเกิดขึ้นได้ไม้ก็ต่อไปเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดมากกว่ากระตุ้นจากข้างนอกจบไปเหมือนก็น้ำไปกวนเอามือไปกวนในในตุ่มน้ำใหญ่ๆทำไปตำมาน้ำจะกุนมากกว่ากระทบจากข้างนอกลเลยครับเป็นปัญหาภายในจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ พระเจ้าสอนเรื่องมิจฉาสังกปะเปล ว, ว่าความดำริผิดข้อแรกก็คือการมิจมาสังกปะความดำริถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่แล้วก็มาเน้นที่เนคขมสังกปะที่เป็นสัมมาสังกปะคือความดำริในทางที่ชอบเป็นการสอนบุคคลพยายามมองทั้งวัตถุกรรมทั้งตักิเลสกา แต่ให้เห็นโทษของตัวกิเล ส, ส ก, กัดตัววัตถุกรรมข้างนอกสอนให้มองในแง่ของความจริงซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราไปกำหนัดขัดเคลืองนี่จะรอหาเรื่องเอาเองเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่ก็ เ, เป็นอย่างที่เขาเป็นก็เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปตามธรรมชาติของความจะเราไปเกาะเขาเฉย เราหาเรื่องให้ยุ่งใจๆอรเดือดร้อนก็เราดีใจเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราเสียใจเพราะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราให้เศร้าโศกเพราะสิ่งนั้นแตกตัดไปถ้ใจไม่ไปเกี่ยวขอ้องโดยความรู้สึกเป็นของเราอาการนั่นกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าเราเกิดหมดุดคนก็คงเป็นมีแต่คนโรคประสาท เพราะการเกิดแก่ตายนั้นมีอยู่ทุกขณะทั่วโลกเพียงแต่ว่าในขณะนั้นนั้นมาเกิดแก่ใครที่ไหนอย่างไรแต่นั้นเด็กแต่การเกิดแก่ตายนั้นจะมีอยู่ทุกขณะถ้าเราคิดเช่นนั้นจริงเราก็ต้องทุกข์อยู่ทุกขณะแต่ที่เราไม่ทุกข์อยู่ทุกขณะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้กำหนดว่าเป็นของเราไม่กำหนดว่าญาติเราิมิตรของเราเพื่อนของเรา สา ม, มีปัญญาของเราทึงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยไปกระเทือนอะไรถึงเราเลยแต่ว่าส่วนของกิเลสกรมทรงสอนบุคคลมองในเป็นกระบวนการกระบวนการใหญ่ที่มีอยู่จริงๆก็รือเรียกว่าการมาธาตุคือเชื้อของความใครที่มีอยู่ภายในใจของเรา กิเลสก็ดีธรรมะก็ดีที่จริงมันมีธาตุคือมีเชื้ออยู่ภายในใจเท่านั้นแม้แต่นิพพานธ า, าตเชื้อก็นิพพานเราก็มีอยู่ภายในใจหรือเป็นเที่ยวที่สูงสุดแล้วเราก็มีเหต่ว่ามีไม่มากพอที่จะต้นทานอํานาจของกิเลสได้ท่านั้นเมื่อใจมีการมาธาตุคือเชื้อของความใคร่ใจมันก็มีการมาสัญญาคือกําหนด อารมณ์ในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ไ ด, ได้ด้วยหน้าของความใคร่เมืเม่อกาหนดไปบ่อยคิดไปบ่อยการมีสันท่าคือความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่ก็เกิดขึ้นเพราะนักสาชนจะสังเกตใจเราได้สมมติเราเห็นของอย่างหนึ่งเห็นปั๊บชอบปุ๊บ แล้วไปพลิกดูพลิกไปพลิกมาความชอบมันเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประสิ่งเหล่านั้นมีพิรุธมีรอยบุบสลายหรือแสดงว่าเคยใช้งานมาแล้วไอ้ความรู้สึกอยากไปตอนต้นๆมันจางไปถามาทำไมจางเพราะปัญญามันเกิดจากการพิจารณา มองเห็นว่าที่เราเข้าใจมันสวยในตอนต้นเนี่ยมันมีจุดบกพรอก ม, มันมีจุดตำหนิมันมีจุดแหวง่งมีจุดที่มันบุบอยู่ความประจัยมันก็ลดอาจจะถึงล่วงกระเป๋าเพื่อจะจ่ายสตางแล้วแต่ไม่จ่ายก็ได้นั้นแสดงให้เห็นว่าการกำหนดว่ามันน่าใคร่ในตอนต้นถูกกับบางก็ัญญัซึ่งเราพิจารณาเนี่ย ไปแยกแยะสลายความรู้สึกเหล่านั้นการมาสัญญาคือการการมการมาฉันทะคือการคือความพอใจในสิ่งที่ตนใครายดุลน้าของความใคร่ก็ถูกลดลงไปแต่ทีนี้ถ้าไม่ถูกลดเนี่ยเราจะคิดถึงมากบางทีคิดถึงจะนอนไม่หลับไปเลย รกว า, กามาสังกปะคือตรึกนึกเรื่องำนาจของความใคร่เดี๋ยวนึกด้วยอำนาจของความใคร่ทั้งหมดไม่มีใครทําให้เราทําเองเรดนิ่วเองเรานึกเองก็จะมองใกล้ๆกับสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องมันไม่มีอะไรมาจากคณะแต่อาหารที่ตัวเก็บสะสมไว้นั่นเองมาเคี้ยว ผลจิตบางครั้งท่านแปลว่าเคี่ยวกินอารมณ์ไมายความว่าอารมณ์เหล่านั้นที่จริงมันก็ผ่านมาแล้วตอานองใก้ๆวันนอนที่เอาอาหารไปใส่ไว้หรือพวกวัวควายที่ไปเคี่ยวอึ่งพวกวัวที่ไปเคี่ยวอึ่ น, ไ ป, น, นไปของเก่าตอนนั้นเอามาเคี่ยวพอเคี้ยวมากข้าเนี่ย จิตใจมันก็มีความร่าร้อนถ่านเรียกว่าการ ม, มาวิลาหะคือร่าเราร้อนโดยหน้าของความใคร่ใคร่ทาให้เกิดความร่าเราร้อนใจเป็นตัวทำให้เกิดความร่าเราร้อนใจเป็นตัวเหนี่ยวนึกใจเป็นตัวตึกนึกเองสิ่งเหล่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่จะแตกทํำลายไปแล้วผ่านการเวลามาแล้วในอดีตหรือว่า ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเันปัญหาตรงนี้เองที่ส่งสอนบุคคลมีสติระลึลกรู้ดูจิตของตัวเองในแต่ละขณะตอนแหนวันจิตตานอกษนาสติปัฏฐานที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐา น, น, นสุดฉะนันจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะเป็นต้นเนี่ย หมายความมาให้ผู้ปฏิบัติรู้จิตตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆถ้าจิตมีกิเลสอยู่ก็พยายามลดละถ้ากิเลสมีธรรมะอยู่ก็พยายามประคับประคองไว้แล้วก็เพิ่มปูดต่อไปซึ่งจะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ต่อเนื่องทางตัวเป็นผู้ตื่นเป็นคนตื่นอยู่เสมอ ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสุขต่อไป